จเจริญสุขญาติโยมก็ค่อยๆ ค, คุยกันไปหนักๆบ้างเบาๆ บ, บ, บ้างนะแต่ยังไงก็ตามอาตมาก็ต้องการที่จะให้ญาติโยมได้เข้าใจให้มันลึกซึ้งแล้วก็พยายามให้มันก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่า การปฏิบัติของเราเราก็ต้องปฏิบัติไปสู่จุดยอดของพุทธศาสนาของเราซึ่งจุดยอดของพระพุทธศาสนานั้นอาตมาก็ได้เคยพูดอยู่เสมอเสมอแล้วนั่นก็คือความไปบรรลุสู่ความพ้นทุกข์ เราจะต้องเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งก็การที่พระสมมาทพุทธเจ้าให้พระพิสุทข์ทั้งหลายได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้ร่งมีความมุ่งหมายประการเดียวเท่านั้นและจริงๆนั้น พระพิสุทุกรูปมาบูช์เข้ามาแล้วนั้นต้องถือว่าอันนี้เป็นคําสั่งของพระบิดาเป็นคําสั่งของพ่อเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นั่นก็คือพระองค์ตรัสไว้เป็นประโยคที่สําคัญเลยว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถธรรม อันเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเธอซึ่งประโยคหลังนี้ถือว่าเป็นประโยคที่สําคัญมากเธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเธอเป็นความ ที่สุดแห่งทุกนั่นก็คือความที่ทุกทั้งหลายมันดับลงไปนั่นเองหรือความพ้นทุกนั่นเองก็อะไรล่ะเป็นตัวพรมจรรย์ที่แท้จริงพระองค์ก็ได้ตรัสไว้เป็นที่แน่นอนว่าถ้าหากว่าใครได้อ่านในสือในโพธิปักเกียรธรรมสามสิบเจ็ดนั้นพระองค์จะจรัสไว้เลยว่า พรหมจรรย์ที่แท้จริงนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละคือตัวพรหมจรรย์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพิสูจ์ทุกรูปเมื่อบูดเข้ามาแล้วนั่นนะจะต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นอริยมรรคมีองค์8หรือไตรสิกขาศีล ส, สมาธิไหลปัญญาเท่านั้น นั่นคือหน้าที่ของพระพิสูจ์เราพระองค์ให้บวชเข้ามาแล้วไม่ให้ไปทำอย่างอื่นการที่พระพิสูจน์สงเราเมื่อบวชเข้ามาแล้วไปทำอย่างอื่นนั้นมันผิดทั้งหมดมันผิดทั้งหมดพระองค์ให้บวชเข้ามาแล้วเพื่อให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเท่านั้นไม่ให้ไปทาอย่างอื่น อย่างไรก็ตามการที่พระภิสูจน์อาการที่พระสมมาผู้เจ้าตรัดสอนพระภิสูจน์สงนั้นก็คือสอนครือหัดของเราด้วยนั่นเองก็คือสอนคฤือหัดของเราด้วยนั่นเองเพราะตามปกตินั้นพระสมมาผู้เจ้านั้นอยู่ใกล้ชิดพระภิสูจน์สงมากกว่าครือหัด เพราะนั้นการที่พระสมมาผู้เจ้าตรัสสอนพระภิสูจน์งก็คือสอนพวกพระหัสนั้นด้วยเองเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาสิ่งนี้มาไว้ในใจของเราเราพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ ก็คือการปฏิบัติศีนสมาธิไรปัญญาจากแผนภูเมื่อคราวที่แล้ว <c oughs> จากแผนภูเมื่อคราวที่แล้วนี้เป็นความจริงประการหนึ่งที่เราควรจะนํำมาไว้ในใจของเราที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะนี้เป็นความจริงการปฏิบัติของเราเราจะต้องเข้าใจความจริงประการนี้จะต้องเข้าใจความจริงประการนี้ความจริงประการหนึ่งก็คือว่าจิตของเรานี้จิตแท้นี้มันไม่ตายที่ตายนั่นน่ะมันตายแต่ร่างกายตายแต่ขันห้า ส่วนจิตนั้นมันไม่ตายจิตนั้นมันเป็นอมะตะธรรมแต่การไม่ตายนั้นมันก็มีอยู่สองทางทางหนึ่งคือต้องมาเวียนตายเวียนเกิดกับร่างกายต้องมาเวียนตายเวียนเกิดกับร่างกายอีกทางหนึ่งมันอยู่กับเฉยกับที่ไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิด รการที่มาเวียนตายเวียนเกิดนั้นเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัตนั้นมันเป็นทุกข์อยู่ที่ว่าจิตตรงนี้จะมาเวียนตายเวียนเกิดกับร่างกับขันห้าอะไรขันห้าของมนุษย์ขันห้าของสัตว์นรกขันห้าของเปรตขันห้าของอสุรกายขันห้าของสัตว์เดรัจฉาน ขันห้าของเทวดาขันห้าของพรหมถ้ามาเกิดกับร่างหรือกับขันห้าของมนุษย์เทวดาพรหมก็เรียกว่าค่อยอยังชั่วหน่อยพอมีความสุขหน่อยแต่ถ้าไปเกิดไปร่วมเกิดร่วมตายกับขันห้าของสัตว์นรกของเปรตของอสุรกายของสัตว์เดรัจฉานมันก็ทุกข์ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมาเกิดในร่างของมนุษย์เทวดาพรหมมันก็ยังไม่พ้นทุกข์ทีเดียวเพราะมันยังต้องมีเกิดมีแก่มีตายมันก็ต้องมีทุกข์อยู่แต่ถ้าหากว่าจิตตรงนี้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปเวียนตายเวียนเกิดในร่างของขันห้าของอะไรทั้งนั้นของสัตว์โรคอะไรทั้งนั้นนั่นแหละ จิตดวงนั้นท่านก็เรียกว่าเข้าสู่แดนพระนิพพานเป็นจิตเป็นแดนที่เสมไม่ต้องมาไม่ทุกข์อีกแต่การที่จิตดวงนี้เวียนตายเวียนเกิดนั้นเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองเป็นเพราะนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะเอาวิชาตัวเดียวเท่านั้นเองเพราะเอาวิชาตัวเดียวเท่านั้นเองที่ทาให้เอาวิชาตัวนี้ มันเป็นอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสที่ละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานมันแฝงอยู่ในจิตจิตแท้ของเราตัวนี้เองที่ทำให้ต้องจิตตรงนี้ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดกับร่างของสัตว์โรคทั้งหลายถ้าไม่มีตัวนี้เาอตัวเดียวเท่านั้นเองจิตตรงนี้ก็ไม่ต้องบ้า เวียนตายเวียนเกิดกับขันห้ากับร่างของอะไรทั้งนั้นก็เข้าสู่แดนพระนิพพานพราะมีอวิชชาตัวนี้ตัวเดียวจึงต้องให้ทำให้เราต้องเวียนตายเวียนเกิดและเมื่อมาเกิดทุกครั้งมันก็จะมีจิตซ้อนเข้ามาอีกจิตหนึ่งเป็นสองจิตมีจิตซ้อนเข้ามาอีกจิตหนึ่ง จิตดรงนี้เกิดจากอวิชชาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาจึงเรียกว่าจิตสังขารหรือจิตอวิชชาตามปกตินั่นจิตแท้ๆนั้นจิตแท้ๆนั้นมันรู้อย่างเดียวมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไม่เป็นส่วนไอ้จิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไปนั่น จิตอวิชชาตัวนี้จิตสังขารตัวนี้มีอยู่สองจิตไอ้ที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไปทําให้เกิดความโลภอยากได้ทําให้เกิดความโกรธทําให้เกิดโมหะต่งางๆนั้นเป็นเพราะไอ้จิตอันนี้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไปเอง ถ้าจิตแท้ๆ แ, แล้วเนี่ยนะมันรู้อย่างเดียวมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไม่เป็นแต่ว่าอจิตนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอวิชชาตัวนี้มันปรุงแต่งนี้ขึ้นมาถามว่าพระสมมาผูเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ที่ไหนผู้เจ้าตรัสรับรองไว้เรื่องนี้ไว้ส่วนว่าที่ไหนอย่างไรอาตมาจะบอกโยมในทีหลัง เพียะนั้นเมื่อมีสองจิตอย่างนี้เพื่อให้เรียกต่างกันหลวงปู่เทศให้เรียกอันนี้ว่าใจก่อนให้เรียกอันนี้ว่าใจก่อนใจนี้หมายถึงใจแท้ใจดั้งใจเดิมส่วนอันนี้ท่านให้เรียกว่าจิตก่อนเป็นจิตที่เกิดการปรุงแต่งขึ้นด้วยอวิชชาเป็นนิสตุจิต นี่ต้องเข้าใจานี้นี่จิตปกติจิตปกติของคนเราในขณะนี้มีสภาพอย่างนี้ในจิตของเราจริงๆแท้ๆนั้นมีอวิชาเป็นอนุสัยกิเลสแฝงอยู่แล้วขณะนี้ที่เราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งไปเกิดความโลภเกิดความอยากได้ยินดีชอบใจหัวเลาะยินร้ายไม่ชอบใจร้องไห้ จิตอันนี้เกิดจากการปรุงแต่งแต่อวิชานี้มันแพ้อำนาจสมาธิมันแพ้อำนาจสมาธิเมื่อจิตสงบถึงขั้นอัปนาสมาธิอวิชานี้ มันทํางานไม่ได้หลวงปู่มหาโบท่านอุปมาเหมือนกับตัวอวิชามันถูกหักแข้งหักขาเหมือนกับตัวอวิชามันถูกหักแข้งหักขามันทํางานไม่ได้เมื่อทํางานไม่ได้จิตอันนี้หายไปปรุงแต่ง ปรุงแต่งจิตแท้ให้มาออกเป็นจิตสังขารหรือจิตอวิชชาไม่ได้จิตอันนี้หายไปเพราะฉะนั้นขณะ น, นี้เหลือจิตเดียวที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเอกจิตหรือเอกขตตาจิตและหน้าตรงจุดนี้หลวงปู่เทศว่ายังไงใครจําได้หัตมาเคยพูดหลวงปู่เทศว่ายังไงจิตอันใด ใจก็อันนั้นใช่ไหมหรือจิตเดียวจิตอันใดใจก็อันนั้นหลวงปู่เทศว่าอย่างนั้นนี่คือเราต้องรู้อย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้ไม่งั้นเราปฏิบัติไปเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้ไอความเป็นจริงที่เราปฏิบัติไปแล้วมันจะไม่ได้ผลเพราะในขณะนี้เนี่ยเห็นไหมโยมมีจิตเดียวมีจิตเดียวแล้วก็อวิชาก็ทำงานไม่ได้ เป็นยังไงขณะนี้จิตของเราเป็นงไงถ้าณอัปปนาสมาธิจิตของเราเข้าสู่แดนพระนิพพานใช่ไหมนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะโยมเราทำเราปฏิบัติไปเนี่ยถ้าเรารเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะโยมถ้าเราสามารถทำจิตของเราให้สงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิไดเ้เราสัมผัสพระนิพพานชั่วคราว ใช่ไหมสัมผัสพระนิพพานชั่วคราวเพราะนั้นอยากจะให้โยมจำภาพอันนี้ไว้ให้ชัดเจนโยมเราปฏิบัติเพื่อจะมาสู่จุดนี้เพื่อมาสู่จุดนี้ก็คือทำอย่างไรที่จะพยายามสลัดไอ้กิเลสอวิชชานี้ออกไปได้ในการที่จะสลัดกิเลสอวิชชาออกไปได้ต้องปฏิบัติมาถึงจุดนี้ใช่ัหมโยม ดังนั้นหลวงปู่มหาบัวพูดอยู่เสมอเลยที่เราภาวนาเนี่ยเราภาวนาเนี่ยเราภาวนาเพื่อเอาจิตนะภาวนาเพื่อเอาจิตแท้ถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยยังมีสองจิตอยู่เนี่ยเราจะสลัดตัวนี้ออกไปยังไม่ได้เราภาวนาเพื่อเอาจิตแท้ตัวนี้เพราะว่าจิตแท้ตัวนี้นะ่ะไอ้อาวิชามันแฝงอยู่เราต้องจับจุด ต้องจับจิตตัวนี้ให้ได้หลวงปู่เทพบอกว่าต้องพยายามจับจิตแท้นี้ให้ได้ก่อนก่อนที่จะโผงกําลังเข้าไปสลัดกิเลส อ, อวิชชาให้มันออกไปโผงกําลังมหาสติมหาปัญญาจากมัคสมังคีเห็นไหมนี่เราต้องตั้งประเด็นให้ถูกนโยมต้องตั้งประเด็นให้ถูก เราภาวนาเพื่อจะเอาจับจุดนี้ก่อนเอาจิตอันนี้ก่อนให้เหลือจิตเดียวอันนี้ให้ได้ก่อนโยมเห็นไ้มว่ามีความจำเป็นต้องทำสมาธิก่อนเราถึงจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพู้เจ้าเลยบอกเลยว่าต้องทำจิตให้เป็นเอกจิตก่อนเอกจิตหรือเอกกตาจิตก่อนเอกจิตหรือเอกกตาจิตก็คืออันนี้จิตแท้จิตเดียวนี้ เราต้องจัดจิตตัวนี้เราถึงจะมากระทากับอวิชชาตัวนี้เพื่อสุดท้ายมานเป็นอันน um. ี้เห็นไหมโยมถ้าเป็นอันนี้ได้เมื่อไหร่ก็หมายความว่าที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตรมาก็ยังพูดในช่วงนี้อยู่อีกก็เปลี่ยน จะพูดอย่างในช่วงนี้อยู่อีกโยมจำช่วงนี้ไว้ดีมไม่ใช่นี่แ<อ>พระนิพพานชั่วคราวโยมนิพพานมันต้องที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ใช่ไหม ไม่ใช่รอปัญญานิพานชาติหน้าณขณาดที่จิตสงบในอัปปนาสมาธิณขนาดที่จิตสงบในอัปปนาสมาธิกิเลสอวิชชาทำงานไม่ได้ที่ธรรมมาพูดเมื่อกี้ว่าหลวงปู่มหาโบบอกว่ามันเหมือนกิเลสอวิชชามันถูกหักแข้งหักขา มันทำงานไม่ได้มันแพ้อํานาจสมาธิกิเลสอวิชชาทํางานไม่ได้นอกจากกิเลสอวิชชาทํางานไม่ได้แล้วกิเลสอื่นๆทั้งหลายทํางานไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะกิเลสอวิชชานี้เป็น แม่ของกิเลส ท, ทั้งหมดใช่ไหมใช่หรือเปล่ากิเลสมีพันห้ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดกิเลสพั 1, นหะ้าน่ะไปจากอาวิชชาตัวเดียวไปจากอาวิชชาตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะก็ไปจากอาวิชชาเพราะเมื่อกิเลสอวิชชาทำงานไม่ได้ กิเลสอื่นๆก็ทํางานไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมนี่เพราะว่าอาวิชามันเป็นแม่ของกิเลสเพราะฉะนั้นขณะ น, นี้จิตสังขารก็ไม่มีจิตอวิชาก็ไม่มีเหลือแค่จิตเดียวจิตแท้จิตดั้งจิตเดิมจุดเดียวจริงอยู่จิตแท้จิตดั้งจิตเดิมนี้มีกิเลส อ, อวิชชาแฝงอยู่แต่ มันทำงานไม่ได้มันก็เหมือนไม่มีใช่ไหมมีแต่ทำงานไม่ได้มันก็เหมือนกับไม่มีใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นขณะ น, น, นี้จิตแท้ก็สู่ความเป็นพุทธจิตหนึ่งอันนี้คือพุทธลุงปู่อะไรพูดเอา้าจำได้ไหม หลวงปู่อะไรพูดกิจหนึ่งคือพุท ธ, ธะหอ้ออืหลวงพ่อพูดอยู่บ่อยๆหลวงปู่อะไรหลวงปู่ดูน ใช่หรือเปล่าตัวเทบใช่ไหมบ้าหลวงปู่ดูเคยได้ยินหรือเปล่าที่บอกว่าใช่ไมโยมที่บอกว่าพุทธจิตหนึ่งคือพุทธะหลวงปู่จะหลวงปู่จะย้ำหลวงปู่ดูลจะย้าอย่างนี้อยู่เสมอใช่จิตหนึ่งคือพุทธะทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่ของหลวงปู่ดูล อเออมีในเทปด้วยจิตหนึ่งคือพุท ธ, ธใช่ไหมเราภาวนาเอาจุดนี้ใช่ไหมภาวนาเอาพุท ธ, ธใช่ไหมคิดนิจจำไหมนี่ต้องสอบต้องสอบให้ประกาศสีบตรขึ้นไหม ใช่ไหมหลวงปู่ดูลพูดอย่างนี้เลยหลวงปู่ดูลจะย้ําจิตหนึ่งคือพุทธะแล้วพุทธะอันนี้กับพุทธะพุทธเจ้าแตกต่างกันไหมหรือเปล่าไม่แตกต่างกันเลยพุทธะอันเดียวกันเพราะได้บอกแล้วว่าขณะนี้จิตหนึ่งอันนี้จึงอยู่มีอวิชชาแต่จิตหนึ่งของพุทธเจ้าไม่มีอวิชชาแล้ว แต่ว่าจิตหนึ่งขณะนี้มีอวิชาก็จริงแต่อวิชาทํางานไม่ได้อวิชาทํางานไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ว่างเลยโย <c oughs> นะจิตมีอวิชาก็จริงแต่มันทํางานไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับพุทธะของพระพุทธเจ้าพุทธะของพระอาหารหันต์แต่มันเป็นพุทธะชั่วคราวใช่ไหมพุทธะคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้รู้อะไรรู้อย่างเดียวคิดนึกปรุงแต่งไม่เป็น เมื่อคิดนึกปรุงแต่งไม่เป็นมันจะมีการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่มันจะเป็นกรรมต่อไปไหมถ้ามันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไม่เป็นอะแล้วมันจะมีการสั่งให้กายกระทํากรรมทางกายทางวาจาทางใจให้มันเป็นกรรมอะ มันจะมีไหมมันไม่มีใช่ไหมมันรู้อย่างเดียวอ่ะมันรู้อย่างเดียวสักแต่ว่าใช่ไ้มสักแต่ว่าเห็นมันก็สักแต่ว่าเห็นมันรู้ว่าเห็นมันรู้ว่าได้ยินมันรู้ว่าได้กลิ่นมันรู้ว่าได้รสมันรู้ว่าได้สัมผัสแต่มันก็สักแต่ว่าไม่เป็นกรรมใช่ไหมนั่น เห็นไหมนี่เกิดผู้รู้อีกประการหนึ่งก็คือรู้ธรรมะตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงแต่ว่าไอ้ความรู้อันนี้แหละมันก็ไอ้รัศมีมันก็กว้างแคบมากไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่ั้มแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนแม้แต่ของพระอรหันต์ก็ไม่เท่ากันมีของพระเจ้านั้นมากที่สุด กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีไม่มีขอบเขตแต่พระอาหารหันต์ก็แล้วแต่ของแต่ละองค์แล้วแต่สร้างบารมีมาใช่ไหมไม่เท่ากันอย่างไรก็ตามขณะนี้จิตจะเป็นผู้รู้พุทธเป็นผู้รู้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไม่เป็นพระนที่อัปปนาสมาธิเนี่ยมันรู้เฉย มันรู้เฉยพูดตื่นตื่นจากอะไรตมาเคยพูดอยู่เสมอเสมอตื่นจากสังสารวัตรใช่ไหมทีนี้ขอให้เข้าใจว่าสังสารวัตรนั้ น, นมีสังสารวัตรแบบข้ามชาติ กับสังสารวัตรแบบพบชาติในปัจจุบันสังสารวัตรแบบข้ามชาติก็คือเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วก็จะไปเกิดอย่างพบภูมิต่างๆใช่ไหมมนรกภูมิเปรตภูมิสวรรภูมิที่หนังสือนั่นใช่ไมมนุษยภูมิพรหมภูมิ หกเจ็ดภูมนี่ใช่ไหมนั่นแบบข้ามภพข้ามชาติยังมีแบบในชาติปัจจุบันในภพภูมิในชาติปัจจุบันก็คือภพภูมิของการเกิดขันห้าใช่ไหมขันห้ามันเกิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมขันห้าเกิดอยู่ตลอดเวลา การที่ขันห้างมันเกิดอยู่ตัาล่ามันก็ต้องมีพบมีภูมิของมันพราะภูมิอะไรนี่ไงร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตณขณะนั้นจิตณาขนาที่เกิดขันห้าขณะนั้นเป็นอะไรหนึ่งมนุษสนิยโย มนุษย์อะไรมนุษย์อะไรืมนรมนุษย์สัตว์นรกนิรโยนิรโยแปลว่านรกมนุษย์สัตว์นรกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจขนานั้นใจขนานั้นเป็นสัตว์นรกเป็นยังไงสัตว์นรกโอ้รุ่มร้อนใช่ไหม รุ่มร้อนเร่าร้อนนั่นขณะใดาที่จิตเรารุ่มร้อนเร่าร้อนนั่นแหละเป็นสัตว์นรกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกเห็นไหมนี่ไม่ใช่อาตมาตราัสมาพตออาตมาพูดนะผู้เจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะ มนุษสเปตโตมนุษย์อะไรเปรตโอใจโลภอยากได้ใช่ไหมใจคิดโลภใจอยากได้มันเร่าร้อนอยากจะได้แล้วมันไม่ได้นั่นขณะนั้นร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตขันห้าขณะนั้นขันห้าขณะที่ไปเห็นแล้วโอ ไม่อยากได้รลําเกินใช่ไหมพอไปเห็นนั่นนู่นเอาอยากได้อืมนั่นขนาดขันห้าเกิดใช่ไหมพอเห็นว่าขันห้าเกิดใช่ไหมพอตาเห็นรูปแล้วอันนั้นแล้วขันห้าเกิดใช่ไหมนั่นขันห้าขนาดนั้นเกิดในภพในภูมิของปร น, นี่ภพภูมิสังสารวัตรปัจจุบันมนุษย์ มนุสสติรัชโนมนุ์สัตเดรฉา น, นพวกโมหะพวกโมหะไม่รู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงรู้แต่สมมุติรู้แต่สมมติไม่รู้ธรรมชาติตามความเป็นจริ ง, รรรร เ, รงเห็นหร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตเดรฉานมนุสส์มนุสโศ มนุษย์ที่แท้จริงมนุษย์ที่แท้จิงมนุษยสมนุษย์โสมนุษย์ที่เต็มไปด้วยขันห้าขันห้านะขันห้ากุศลกรรมบทสิบเป็นมนุษย์นะใช่ไหมขณะใดที่ใจเราอยู่กับขันห้าไม่ใช่ขออภยัยศีลห้าอยู่กับศีลห้าอยู่กับกุศลกรรมบทสิบ นั่นนั่นแหละเป็นมนุษย์สมนุษ์โสมนุษย์ที่แท้จริงมนุษย์เทวโวมนุษย์เทวดาจิตใจอยู่กับมหากุศล8นนั่นใช่ไหมมนุษย์เทวดาเพราะว่าเทวดานี่ไปด้วยมหากุศล8ใช่หมทาบุญให้ทานแล้วครบองศาองศามีอะไรบ้าง หนึ่งทำแล้วดีใจใช่หดีใจก่อนจะทำก็ดีใจกำลังทำก็ดีใจทำแล้วก็ดีใจสองทำด้วยจิตด้วยใจของเราเองไม่ต้องมีใครมาชักชวนใช่หมสามทำด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญานั่นเรียกว่ามหาคุโส8นั่นแหละ เรียกว่ามนุษเทวมนุษยเทโวมนุษน ษ, ษพรมโมพรมก็คือผู้ที่ทำสมาธิจนกระทั่งได้ฌานนี่คือวัะสังสารวัฏหรือวัตะสงสารในภพชาติปัจจุบัน